ตอนที่33ต้าอาวี่เช่นนี้ 2. การประชุมขุนนางครั้งใหญ่ครั้งแรกที่จัดขึ้นในราชสมัยเจิ้งถงนั้นแตกต่างจากการประชุมขุนนางครั้งแรกในราชสมัยของไทจู่ที่จงและสเสวียนจงแม้พายนอกจะดูเหมือนดำเนินไปตามจารีประเพณีและกฎเกณฑ์ของบรรพชนอย่างเคร่งครัดแต่กลับญาตจะปกปิดสถานการณ์บางอย่างที่แฝงอยู่การโต้เถียงกันของเฉินเจียนไม่วีและคนอื่นๆไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันได้ทำลายจังหวะของการประชุมขุนนางครั้งนี้ไปเสียสิ้น แม้ว่าคนเหล่านั้นจะถกเถียงกันด้วยเรื่องราชการแต่นี่ก็นับว่าเป็นปัญหาอยู่ดีชูหลิงที่ประทับอยู่บนบอลลังในฐานะประมุขคนใหม่ของต้าอวี๋เขาได้รับข้อมูลใหม่ๆ ม, มาไม่น้อยทําให้พอจะมีความเข้าใจคร่าวๆเกี่ยวกับอาณาจักรต้าอวี๋ที่เขาปกครองและโลกที่เขาอาศัยอยู่ทว่ายังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในตำราหรือเอกสารใดๆภายใต้กระแสทานแห่งการเวลาสิ่งที่ถูกปกปิดไว้นั้นมีมากเกินไปและบรรดาสิ่งที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้เหล่านั้นไม่สําคัญจริงๆหรือ หรือว่าเป็นพระมีใครบางคนจงใจปกปิดมันไว้กันแน่ดังนั้นชูหลิงที่ต้องการเข้าใจความเคลื่อนไหวของตาอวีจึงจำเป็นต้องใช้ทุกโอกาสที่มีเพื่อรับรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้และการประชุมขุนนางครั้งใหญ่ที่กำลังดำเนินอยู่นี้ก็คือหนึ่งในสื่อกลางเหล่านั้นแต่ชูหลิงไม่เข้าใจก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจ หันชิงที่ยืนอยู่ในแถวขุนนางมองดูเหตุการณ์วุ่นวายตรงหน้าด้วยสีหน้าที่เ ค, คร่งขรึมขึ้นมาอย่างอดไม่ได้ในวันนี้เขาไม่ได้อยู่ในฐานะแม่ทัพใหญ่แห่งจินจวินที่คอยอารักขาอยู่ข้างกายห้องเติ้งใหม่เพื่อจัดการกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นในการประชุมแต่หานชิงในวันนี้มาเข้าร่วมการประชุมที่ประตูไทจีในฐานะขุนนางผู้ทรงเกียรติแห่งต้าอวีดูเหมือนจะต่างกันไม่มากแต่ในความเป็นจริงกลับแตกต่างกันราวฟ้ากับดินนี่คือการข่มขู่ ฮันชิงกำมัดแน่นที่ข้างลำตัวสายตาจ้องมองคนเหล่านั้นด้วยความไม่เป็นมิตรพางคิดในใจว่าบางทีคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่ฮันชิงนั้นรู้ดีเฉินเจียนรองเสนาบาดีกรมหูปู้ฝ่ายซ้ายคือสิทธิเอกของสวีชูที่เพิ่งลาออกจากตำแหน่งไปกันที่เขาสามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งระดับสูงในกรมหูปู้ได้ด้วยวัยเพียง40ปีนั้นไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะทำได้สวีชูเล่นงานเช่นนี้ก่อนที่จะมีพิธีราชาพิเศษเสียอีเห็นได้ชัดว่ามีความหมายลึกซึ้งนี่คงคิดจะใช้แผนถอยเพื่อรุกเพื่อบรรลุแผนนกาาาบงงอย่สนะ ก่อนหน้านี้การที่เซิงเลี่ยจออวีฉือเซว่ห้วงเทโฮทรงอนุ ญ, ญาตให้สวี่ชูลาออกได้ก่อให้เกิดข้อพิพาทขึ้นในราชสำนักลูกสาวแท้ๆปลดพ่อตัวเองออกไม่ว่าจะมองอย่างไรก็ดูไม่ธรรมดาภายใต้การคาดเดาเช่นนี้จนกระทั่งมาถึงการประชุมขุนนางครั้งใหญ่ที่จัดขึ้นก่อนกำหนดนี้เองถึงได้ถือว่าได้รับการพิสูจน์อย่างแท้จริงเพียงแต่หานชิงยังไม่แน่ใจว่าการที่สวีชูทำเช่นนี้จะนำผลประโยชน์อะไรมาให้เขาหรือจะบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นพระประสงค์ของเซิงเลี่ยจออวีฉือโซว่หวงเทโฮเอง แต่จุดประสงค์ของการทำเช่นนี้คืออะไรกันแน่อย่างไรก็ตามในขณะที่หานชิงกำลังคิดเช่นนี้กลับมีคนอื่นที่มีความคิดแตกต่างจากเขาอย่างสิ้นเชิงตัวอย่างเช่นหนึ่งในก้าเสาหลักแห่งรัฐเป่าก๊อตงจงชวนดวงตาของเขาจ้องเขม็งไปที่คนที่ยืนอยู่ข้างกายไม่วีการปรากฏตัวของคนผู้นี้นี่เองที่ทำให้การโต้เถียงเล็กๆกลายเป็นการทะลวิวาทครั้งใหญ่จนถึงขั้นทําให้เกิดข้อพิพาทขึ้นในหมู่ขุนนางคนผู้นี้มีเจตนาอะไรกันแน่ เหนสี่เจ้ากรมกองกรมปิงปูอย่าเห็นว่าจงชวนปลีกตัวออกจากราชสำนักไปพักผ่อนที่จวนพร้อมกับชางหลีหลังจากที่ไทจงเหมือนห้องเต้สวรรคตแต่สำหรับเรื่องในราชสำนักและเรื่องราวใต้ล่าเขายังคงมีความเข้าใจอยู่บ้างโดยเฉพาะขั้วอำนาจต่างๆในราชสำนักไม่มีเรื่องใดที่จงชวนไม่รู้ในช่วงต้นรัชสมัยของสเสวียนจงชุนห้องเต้พระองค์มักจะเสด็จประพาสเป็นการส่วนตัวไปยังจวนของเป่าก่อกงและอ่านก่อกงอยู่บ่อยครั้งเรื่องนี้คนภายนอกรู้น้อยมาก แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีใครรู้เลยด้วยการกระทําเช่นนี้เองที่ทำให้สเสวียนจงฉุนฮ่องเต้ทรงควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและทรงปรารถนาจะกรีธาทัพขึ้นเหนือมาโดยตลอดแต่น่าเสียดายที่สวรรค์กลับอิจฉาผู้มีพรสวรรค์ การสวรรคตอย่างปริศนาของสเสวียนจงชุนฮ่องเต้ทำให้ต้าอาวี๋ได้รับความเสียหายอย่างหนักในบางแง่มุมสำหรับห้องเติ้งใหม่ที่มีพระชนมายุเพียงแปดพันษาและการที่สามตำหนักหลังต้องลงมาบริหารราชการแทนแม้ว่าผ่านการต่อรองและประนีประนอมจนกลายเป็นความจริงที่ไม่อาจเลี่ยงและมีความชอบทำตามกฎหมายแล้วแต่ต้าอาวี๋ก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปสิบคนสิบความคิดร้อยคนร้อยความคิดพันคนพันความคิด ปัญหาเรื่องความชอบทำตามกฎหมายนั้นไม่มีใครกล้าโจมตีหรือตั้งข้อสงสัยแต่หากต้องการจะเดินหน้าต่อไปสุดท้ายก็ต้องกลับคืนสู่ความเป็นจริงอยู่ดีการจับคู่ที่แปลกประหลาดเช่นนี้จะสามารถปกครองต้าอาวี๋ให้เดินหน้าต่อไปได้จริงๆหรือนี่คือปัญหาที่สมจริงมากคนเราเป็นพวกนิยมความเป็นจริงหน่อยจะดีกว่า เกมแห่งอำนาจหากเล่นเป็นก็นับว่าเป็นเรื่องดีแต่ในขณะที่ได้รับอำนาจมาสุดท้ายก็ต้องแบกรับหน้าที่และความรับผิดชอบที่สอดคล้องกันด้วยหากไม่สามารถแสดงความสามารถที่ควรจะมีออกมาได้จิตใจของผู้คนก็จะแตกส่าไสสำหรับต้าอาวี๋แล้วเมื่อใดที่จิตใจผู้คนแตกส่านนั่นจะร้ายแรงกว่าศัตรูผู้แข็งแกร่งบุกมารุกรานเป็นร้อยเท่าพันเท่าเจ้าหน้าที่ตรวจการอยู่ที่ไหน ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้สุรเสียงของเสิเ้อเลี่ยจาะอวีฉือโซวโหงเทโฮก็ดังขึ้นทำให้ฝูงชนที่กําลังส่งเสียงดังเซงแซงเงียบปริบลงทันทีนําตัวพวกเขาออกไปจากการประชุมสวีเจนมีสายตาที่เฉียบคมนางประทับอยู่บนบัลลังก์หงอย่างมั่นคงและตรัส ด, ด้วยน้ำเสียงทุ่มต่ำว่าห้องเติงใหม่ทรงเรียบประชุมขุนนางครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกแต่พวกเจ้ากลับทะเลาะกันราวกับหญิงโง่เขลาในสายตาของพวกเจ้ายังมีห้องเต้มีกฎหมายอยู่อีกหรือไม่ให้งดเบี้วัดเป็นเวลาสามปีเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง บทลงโทษบาไปหน่อยกระมังเมื่อได้ยินเช่นนี้ชูหลิงก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยในตอนนี้เขาอยากจะหันกลับไปมองสีหน้าของสวีเจินและอีกสองท่านนั้นจริงๆแต่ภายใตสายตาของฝูงชนชูหลิงรู้ดีว่าตนเองไม่อาจทําเช่นนั้นได้ดูเหมือนว่าในบรรดาคนที่กระโดดออกมาเหล่านี้จะมีคนที่ใกล้ชิด ก, กับหวงเทโธหรือสวีชูสีน่าจะเป็นใครกันเมื่อคิดได้เช่นนี้ชูหลิงจึงมองไปยังเจ้าหน้าที่ตรวจการที่ก้าวออกมาและมองดูทหารจินจวินที่เริ่มขับไล่พวกของเฉินเจียนออกไปชูหลิงเริ่มกวาดสายตามองไปทั่วแถวขุนนาง เขาต้องการจะจับข้อมูลบางอย่างที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้นี่คือจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดของเขาสําหรับพรรคพวกและคู่อํานาจต่างๆที่อยู่ใจกลางอํานาจของต้าอาวี๋ขอเรียกว่าพรรคพวกและคั่อํานาจต่างๆก็แล้วกันความจริงแล้วเขายังไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนนะักเขารู้เพียงแค่หัวหน้าคนสําคัญบางคนเท่านั้นและนั่นก็เป็นเพียงแค่ส่วนน้อยแต่หัวหน้าคนสําคัญเหล่านี้เป็นผู้กวุมการตัดสินใจส่วนคนที่ทํางานจริงๆก็คือพวกที่อยู่ข้างล่างนั่นเองแล้ว พักพักนิยมเจ้ามีอยู่จริงหรือไม่หากมีอยู่จริงพวกเขาปกป้องฮ่องเต้ด้วยจุดประสงค์ใดกันแน่จงรักพักดีจริงๆหรือว่าหวังผลประโยชน์หากก่อนหน้านี้ชูหลิงได้รับความสําคัญบ้างไม่ถูกที่จงเหมือนฮ่องเต้ทําตัวห่างเหินเช่นนั้นแม้ว่าเขาจะเกิดจากสนมแต่สถานการ์บางอย่างในราชสํานักคนรอบข้างเขาก็คงจะช่วยจัดการให้ได้บ้างแต่ทว่าด้วยสถานการณ์ที่เป็นอยู่เช่นนี้ทําให้คนรอบข้างเขากลายเป็นคนที่ร้าประโยชน์อย่างสิ้นเชิง จัวผูเชอร์แห่งสำนักสร้างซูอยู่ที่ไหนในขณะที่ชูหลิงกําลังครุ่นคิดอยู่นั้นสุรเสียงของชือเสียงตัวโยคังโซ่ไทฮวงไทเหฮาก็ดังขึ้นซึ่งทําให้หลายคนเริ่มระแวดระวังท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ชายคนหนึ่งก็ได้ก้าออกมาจากเท้าขุนนางกระหม่อมจัวผูเชอร์แห่งสำนักสร้างซูควบตําแหน่งเสนาบดีกรมหูปู้เซี่ยจางถวายบังคมฉือเสียงตัวโยคังโซไทฮวงไทเฮาได้รู้จักเพิ่มอีกคนแล้วชูหลิงหรีตาลงเล็กน้อย พร้อมกับการเปิดประชุมขุนนางครั้งใหญ่นี้ชูหลิงกำลังค่อยๆทำความเข้าใจโครงสร้างอำนาจส่วนกลางที่สมบูรณ์เพราะตามที่ชูหลิงรู้มาต้าอาวีใช้ระบบสําสำนักขกรม9้าสารและหลายกรมกองภายใต้การแบ่งสันเช่นนี้ทำให้หน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆของต้าอาวีถูกแยกย่อยและขึ้นตรงต่อส่วนกลางเพื่อปกครองมณฑลเมืองและอาเภอที่อยู่ภายใต้การดูแล เมื่อชูหลิงเริ่มรู้เรื่องเหล่านี้เขารู้สึกทั้งคุ้นเคยและแปลกหน้าเพราะหน่วยงานหลายแห่งเขารู้จักดีแต่การแบ่งหน้าที่เฉพาะเจาะจงกลับมีความแตกต่างจากที่เขารู้จักไม่มากก็น้อยนี่แหละคือต้าอาวีต้าอาวีที่ทำให้ชูหลิงทั้งคุ้นเคยและแปลกหน้าในเวลาเดียวกัน